พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามระสูตรที่หกอุปาลิวาทสูตรสูตรว่าด้วยอุบาลีขรหะวดีพระผู้มีพระภาคประทับณป่ามะม่วงของเศรษฐีขายผ้าใกล้เมืองนาลันทาสมัยนั้นนิครนธนาตะบุตรอาศัยอยู่ในเมืองนาลันทาพร้อมด้วยบริษัทใหญ่ทีขตาปัดสีนิครน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับเมื่อตรัสเชิญให้นั่งจึงถือเอาอาสนะต่ำกว่านั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่านิครนธนาตบุตรบัญญัตริกรรมกี่อย่างในการทำกรรมอันเป็นบาปทีขะตาปัดสีนิครนทูลว่านิครนธนตบุตรไม่เคยบัญญัติว่ากรรม เคยแต่บัญญัติว่าทันสำหรับคำว่าทันในที่นี้สะกดคำเดียวกับที่คนทั่วไปรู้จักในคำว่าโทษทันนะครับตรัสถามว่านิครนธนาตบุตรบัญญัติทันกี่อย่างในการทำกรรมอันเป็นบาปทูลตอบว่าสามอย่างคือทันทางกายทางวาจาทางใจตรัสถามว่าทันทั้งสามทางเป็นของอื่น จากกันและกันไม่ใช่อันเดียวกันใช่หรือไม่ทูลตอบว่าใช่ตรัสถามว่าเมื่อแจกออกไปแล้วนิโครธนาตบุตรบัญญัติทันอย่างไรว่ามีโทษมากทูลตอบว่าทันทางกายเมื่อตรัสถามย้ําถึงสามครั้งก็ทูลตอบย้ําถึงสามครั้งว่าทันทางกายมีโทษมาก เมื่อที่ขตตาปัสสีนิครณย้อนทูลถามบ้างว่าพระสมณะโคดมบัญญัติทันกี่อย่างในการทำกรรมอันเป็นบาปก็ตรัสตอบว่าไม่เคยทรงบัญญัติว่าทันเคยแต่บัญญัติว่ากรรมเมื่อเขาถามก็ทรงแจกออกเป็นสามอย่างเช่นเดียวกันแต่ทรงแสดงว่ากรรมทางใจมีโทษมากกว่าและทรงย้ำตอบเช่นนั้นถึงสามครั้ง เมื่อทีฆตาปัดสีนิครนย้ำถาม ถ, ามถึงสามครั้งแล้วทีฆตาปัดสีนิครนก็ลุกจากอาสนะหลีกไปเล่าความให้นิครนธนาตบุตรผู้นั่งอยู่กับบริษัทที่เป็นเครือข่ชาวพาลุกกะคามมีอุบาลีคฤหอข่เป็นประมุขเล่าให้ฟังทุกประการนิโครนธนาตบุตรก็ชมเชยิีฆตาปัดสีนิครนว่าตอบถูกและย้ำว่า ทันทางกายมีโทษมากกว่าอุบาลีก็รหบดีได้ฟังก็แสดงความประสงค์จะไปยกวาทะในเรื่องนี้จะฟัดฟาดเสียเหมือนคนมีกำลังดึงขนแกะไปมาเป็นต้นแต่ทีขตาปัสสีนิครนคัดค้านอ้างว่าพระสมณะโคดมรู้มายากลับใจคนย่อมกลับใจสาวกเดรัถีได้ นิครนฐาตบุตรกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่อุบาลีกฤหบดีจะไปเป็นสาวกพระสมณะโคดมมีแต่พระสมณะโคดมจะมาเป็นสาวกของอุบาลีกฤหบดีต่างค้านต่างยืนยันกันอยู่อย่างนั้นถึงสามครั้งในที่สุดนิครนฐาตบุตรก็ยุให้อุบาลีกฤหบดีไปยกวาทะจนได้ อุบาลีกฤหบดีกราบลานิครนธนตบุตรไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อได้ถวายบังคมและทูลถามถึงถ้อยคําสนทนาระหว่างพระองค์กับทีฆตาปัสสีนิครนซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเล่าความให้ฟังอุบาลีคฤหบดีกล่าวชมทีฆตาปัสสีว่าพูดโต้อตอบตามหลักของศาสนานิครนและได้กล่าวย้ําว่า พันทางกายมีโทษมากกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอุบาลีกรหาบระดีจะยอมตั้งอยู่ในสัจจะพูดจากันก็จะมีการสนทนากันในเรื่องนี้อุบาลีกรหาบระดียอมรับจึงตรัสถามว่านิครนเจ็บหนักห้ามน้ำเย็นรับแต่น้าร้อนเมื่อไม่ได้น้าเย็นก็ตายดังนี้ นิครธนาตบุตรบัญญัติผู้นี้ว่าจะเกิดในที่ไหนทูลตอบว่าเกิดในเทพที่ชื่อว่ามโนสตตะแปลว่าผู้ค้องอยู่ในจิตใจเพราะเกี่ยวกเกาะอยู่ในเรื่องจิตใจตา ย, ตายไปตรัสเตือนให้คิดให้ดีก่อนแล้วจึงตอบคำต้นกับคำท้ายไม่ต่อกันคือเดิมชี้ว่า โทษหรือทันทางกายมีโทษมากกว่าแต่ตอบว่ามีใจเป็นเหตุแต่อุบาลีเครหาบดีก็ยังยืนยันว่าทันทางกายมีโทษมากกว่ามีคำพิเศษสําหรับพวกนิครนคือจตุยามะสังวระสังวุโตผู้สำรวมแล้วด้วยการสำรวมสี่ทางคือไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดไม่หวังกรรมคุณห้า อันหนึ่งพวกนิโครนไม่ใช้น้ำเย็นเพราะถือว่ามีสัตว์จึงใช้แต่น้ำร้อนตรัสถามว่านิครนสำรวมระวังแล้วแต่เดินไปเดินมายังทำสัตว์เล็กๆให้ตายดังนี้นิครนทนาตบุตรจะบัญญัติผลของผู้นั้นอย่างไรทูลตอบว่าไม่บัญญัติการกระทำที่ไม่มีเจตนาว่ามีโทษมาก ตรัสถามว่ามีเจตนาเล่าทูลตอบว่าก็มีโทษมากตรัสถามว่านิครนธนาตบุตรบัญญัตเจตนาเข้าในอะไรทูลตอบว่าในมโนทันคือโทษทางใจตรัสเตือนอีกว่าให้คิดให้ดีก่อนแล้วจึงตอบเพราะคำต้นกับคำท้ายไม่ต่อกัน คือเดิมชี้ว่าทันทางกายมีโทษมากกว่าแต่กลับชี้ไปที่เจตนาว่าสําคัญแต่อุบาลีครือหาบดีก็ยังยืนยันว่าทันทางกายมีโทษมากกว่าตรัสถามว่าเมืองนาลันทานี้มั่นคงเฟื่องปูมีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนใช่หรือไม่ทูลตอบว่าใช่ตรัสถามว่า ชายคนหนึ่งเนื้อดาบมาพูดว่าจะทำสัตว์มีชีวิตทั้งปวงในเมืองนาลันทาให้เป็นเนื้อก้อนเดียวโดยขณะเดียวครู่เดียวคือหมายถึงจะสับรวมให้เป็นเนื้อชิ้นเดียวในขณะเดียวกันดังนี้ท่านเห็นว่าจะทำได้หรือไม่ทูลตอบว่าแม้ชายสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนหรือห้าสิบคนก็ไม่พอ ที่จะทำเช่นนั้นได้คือทําไม่ทันในขณะเดียวกันได้ตรัสตอบว่าสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญทางจิตอาจจะทําเมืองนาลันทานี้ให้เป็นเท่าทานด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่ทูลตอบว่าได้ตรัสเตือนอีกว่าให้คิดให้ดีสัก่อนแล้วจึงตอบเพราะคําต้นกับคําท้ายไม่ต่อกัน คือเดิมชี้ว่าทันทางกายมีโทษมากกว่าแต่กลับยอมรับว่าผู้มีอำนาจจิตทําลายเมืองได้ทันทีแต่ผู้ใช้กําลังกายทําไม่ได้เช่นนั้นแต่อุบาลีคราห บ, บดีก็ยังยืนยันตามเดิมตรัสถามต่อไปว่าเคยได้ยินไหมว่าป่าทันต ก, กีป่ากาลิงคะป่าเมชยะป่ามาตังคะ ที่กลายเป็นป่าไปจริงๆทูลตอบว่าเคยได้ยินตรัสถามว่าเคยได้ยินว่าเป็นป่าไปเพราะอะไรทูลตอบว่าเพราะใจคิดประทุษร้ายของฤาษีจึงตรัสเตือนให้คิดให้ดีก่อนแต่แล้วก็ตอบเช่นเดิมอีกอุบาลีคฤหบบดีทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนให้พิจารณาซะก่อนเพราะการพิจารณาแล้วจึงธทรรมเป็นการดีสำหรับอุบาลีกฤรหบดีที่มีคนรู้จักมากอุบาลีเครืหบดีก็กลับเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตเป็นครั้งที่สอง ตรัสเตือนให้ให้บินทบัตแก่พวกนิครนที่มาสู่เรือนเพราะตระกูลของท่านเคยเป็นที่เสมือนท้าน้ำสำหรับลงดื่มของนิครนทั้งหลายมานานแล้วอุบาลีครหบดีกราบทูลแสดงความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นเพราะตนเคยได้ยินแต่ว่าพระสมณะโคดมตรัสให้ถวายทานแก่พระองค์และสาวกของพระองค์เท่านั้นไม่ควรให้แก่ผู้อื่นและสาวกของผู้อื่น ทานที่ให้แก่พระองค์และสาวกของพระองค์เท่านั้นจึงมีผลมากที่ให้แก่ผู้อื่นและสาวกของผู้อื่นไม่มีผลมากแต่นี้พระผู้มีพระภาคกลับทรงชักชวนให้ให้ทานในพวกนิครนซึ่งตนจะรู้การในข้อนี้เองแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสระณะตลอดชีวิตเป็นครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคจึงตรัสแสดงอนุปุภิกถาและอริยสัจ ส, สี่อุบาลีกฤหบดีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลแล้วก็กราบทูลลากลับไปเมื่อถึงบ้านก็สั่งนายประตูให้ห้ามนิครนชายหญิงไม่ให้เข้าบ้านไม่ห้ามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา และให้แจ้งว่าอุบาลีคฤหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคโดมแล้วทีคตปัดสีนิครนทราบเรื่องจึงไปเล่าความให้นิครนธนตบุตรฟังนิครนธนตบุตรไม่เชื่อแม้จะเล่าย้ำถึงสามครั้งเป็นแต่ใช้ให้ทีคตปัดสีไปดูให้รู้ด้วยตนเองเมื่อทีคตปัดสีนิครนไปด้วยตนเอง นายประตูก็ห้ามเข้าจึงกลับมาเล่าให้นิครณธนาตะบุตรฟังแต่นิครนธนาตะบุตรก็ยืนยันไม่เชื่อถึงสามครั้งแต่ในที่สุดก็กล่าวว่าตนจะไปดูเองนิครณธนาตะบุตรพร้อมด้วยบริษัทนิครณไปยังที่อยู่ของอุบาลีคฤหบดีนายประตูก็ห้ามเข้าอ้างว่าอุบาลีคฤหบดี เป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนธนตะตบุตรจึงใช้ให้นายประตูไปบอกว่าตนมายือนอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูเมื่อนายประตูไปบอกอุบาลีคฤหบดีก็สั่งให้ปูอาสนะที่ศาลาใกล้ประตูด้านกลางแล้วอุบาลีคฤหบดีก็มาณที่นั่นเลือกนั่งอาสนะที่ดีที่เลิศพร้อมทั้งสั่งนายประตู ให้ไปบอกนิครนทนตบุตรว่าถ้าปรารถนาก็ให้เข้ามาได้นิครนธนตบุตรพร้อมด้วยบริษัทก็เข้าไปในสมัยก่อนพอเห็นนิครนธนตบุตรมาแต่ไกลอุบาลีคฤหบดีก็จะลุกขึ้นต้อนรับเอาผ้าห่มเช็ดอาส น, น, น, น, น, นาะที่ดีที่เลิศเชิญให้นั่งแต่บัดนี้กลับนั่งบนอาสนะที่ดีที่เลิศเสีเองแล้วกล่าวว่า ท่านผู้เจริญอาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็จงนั่งนิครนทนาตะบุตรจึงกล่าวว่าท่านเป็นบ้าเป็นคนคลาไปแล้วหรือและได้พูดเปรียบเรยหยับหยาบอีกพร้อมกับกล่าวว่าท่านถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาสำหรับกลับใจเสียแล้วหรืออุบาลีเครหบดีกลับตอบว่า มายากลับใจนี้เป็นของดีแม้ใกลๆจะกลับใจด้วยมายานี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขสิ้นกาลนานแล้วอุบาลีคฤหบดีได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคําสอนของนิครณอดทนต่อความยินดีของคนโง่ไม่อดทนต่อความยินดีของบัณฑิตไม่อดทนต่อการซักไซขัดสีเปรียบเหมือนลูกลิง ทนการย้อมสีได้แต่จะเอามาทุบตีเอามาขัดสีเหมือนผ้าใหม่ที่จะย้อมสีย่อมทนไม่ได้นิครนธนาตาบุตรเตือนว่าบริษัทคือประชุมชนพร้อมทั้งพระราชาก็ทราบกันอยู่ว่าอุบาลีกฤหบดีเป็นสาวกของนิครนธนาตาบุตรแล้วพวกเราจะทรงจําว่าท่านเป็นสาวกของใครกัน อุบาลีกครหาบดีจึงทำผ้าห่มเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปในทิศทางที่ พ, พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ประกาศตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยคำสรรเสริญพระคุณอย่างยืดยาวเมื่อถูกถามว่ารวบรวมคำสรรเสริญพระคุณได้แต่เมื่อไหร่ก็ตอบว่าตนเปรียบเหมือนช่างดอกไม้ที่ร้อยพวงมาลัยอันวิจิต จากดอกไม้ใหญ่อันมีดอกไม้ต่างๆฉะนั้นนิครรนทนาตบุตรถึงแก่อาเจียนเป็นโลหิตในที่นั้น